แต่ะช้าๆอย่างนี้กอให้นักปฏิบัติทั้งหลายต้องเข้าถึงและก็เข้าใจคำว่าเข้าถึงก็หมายถึงว่าเข้าถึงสติสติกก็คือความรู้ตัวในขนาะนี้ว่าเราอยู่ในการภาวนา รักษาศีลอยู่เมื่อเราได้อยู่ในองค์ภาวนารักษาศีลเราก็กำหนดไว้ที่ใจตั้งสติตัวเองไว้มองใจตัวเองแล้วก็มองเห็นหน้ามองเห็นตัวของเรานั้นกำลังนั่งอยู่กาหนดรู้ว่า ลงหายใจเข้าออกในขนาดนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกำหนดอย่างไรบ้างในการประพฤติปฏิบัติเราก็หายใจเข้าลึกๆให้มันเต็มท้องแล้วค่อยๆหายใจออก ไอ้มันท้องแห้งไปเพื่อเราจะได้บำเพ็ญเพลียนอิทีิละเอียดที่ยิ่งขึ้นขึ้นไปถ้าเรานั้นยังมีอารมณ์ยาบอยู่ในท้องของเรานั้นในขณะที่จิตละเอียดกายวิญญาณและจิตวิญญาณนั้นจะไม่สัมผัสกัน มันจะมันจะคุนเครื่องมองใจก็คือคึออัดใจในการหายใจเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเมื่อเราหายใจแล้วนเหนื่อยเมื่อเราหายใจแล้วมันไม่ลึกมันไม่โปล่งโล่งใจในการบำเพ็ญเปลีป่ยนเพราะว่าจิตของเรานั้นเริ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้น การที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติมาต่อเนื่องอย่างนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะกายวิญญาณก็คือร่างกายเราเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีสภาพของจิตจิตก็คือหัวใจก็คือจิตได้สำนึกนั่นเองก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ดูเหมือนเมื่อวานนั้นเราก็ปวดเมื่อยอ่อนล้าไปตามร่างกายในขณะที่นั่งเรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเมื่อยไว้เลิเกินตั้งแล้วเรก็ง่วงไว้เลิเกินรู้สึกว่ามันง่วงมันเพียรมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเบื่อมันหน่ายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่อ่านนี่เป็นอาการของ สภาพของกายวิญญาณและก็จิตวิญญาณเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่แล้วว่าร่างกายของเรานั้นตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะความคิดในปวดกายวิญญาณกับจิตวิญญาณมันของกู่กันเราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยหาเหตุหาผลให้กับตัวตนของเราอย่างแท้จริง พเรามาพิจารณ า, าดูเหตุว่าโอโา้เนอการคิดการปรุงแต่งของเรานั้ น, นทําให้ร่างกายของเรานั้นหลังสารที่ไม่ดีออกมาตามเนื้อทุกชิ้นในร่างกายของเรานั้นปูกบีบคั้นลัดตึงตึงแน่นเหมือนคนที่ตึงแข้งตึงขาปวดเมื่อยแข้มขาอยู่ตลอดเวลา บางคนนิ้วล็อกยังไม่รู้ตัวอีกว่าอะไรมันเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมที่เราได้ตะเกียดตะกายหากินอยู่ทุกวี่ทุกวันเหมือนเป็ดไก่กอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอกำกรรมก็เป็นต้นเหตุที่มันเกิดเรียกว่าอุบัติเหตุของชีวิต ก็คือความโรคความโกรธความหลงก็คือกิเลสทำให้จิตใจของเรานั้นมวัวหมองเพราะพุทธ เ, เจ้าท่านทรงบอกว่าเอพที่มันปูบัติขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นนั้ น, น, นก็คือการจุตดดิก็คือการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่อยู่ในสภาวะ ที่จะต้องเกิดมาที่จะพบกับชะตากรรมป้องกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคมันก็พัฒนาโรคแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์แมลงก็มีการพัฒนาเพื่อจะดำรงเผ่าพันธุ์ดำรงชีพของตัวเองนั้นให้อยู่ได้เราก็เช่นเดียวกัน เราก็ํำรงชีวิตของเรานั้นตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นกบเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นตระ ก, กูลอันที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็ต้องมีการพัฒนาทั้งอาหารทั้งที่อยู่อาศัยรวมทั้งยาลักษาโรคทั้งเสื้อผ้าเราก็ถูกพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น แต่เรานั้นไม่เคยพัฒนาในสิ่งที่เราอยู่ในตัวตนของเราก็คือจิตเราได้พัฒนานับภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะหยิบยกหรือเอาติดตัวไปได้ในขณะที่เราตายแล้วเช่นแก้วแหวนเงินทองบ้านช่องรถราที่ดินเคื่อผ้าอวบพรแล้วก็ร่างกายของเรา เราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ล้วนจะเป็นของแผ่นดินล้วนแต่เป็นของอันิจจ์พอเราจะเปรียบก็เหมือนกับต้งพืชสรางสัต์ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพียงแต่เราว่าอุปมาอุปไ ม, ปม่ว่าเราเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์อื่นอุปมาอุปไมยว่าเรานั้นเกิดแล้ว เป็นตะกูลคนนั้นเหล่าคนนี้สรุปแล้วเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายรองเข้าไปใ น, ในใจแล้วก็คิดถึงตามหลวงพ่อว่าโอ๋โน้องมนตอยู่ด้วยความสมมตุติสมมุติว่าชื่อนามสกุลสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายสมมุติว่า ตัวเรานั้นเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นการจชการสีนัน้นสีนี้จบมหาัยนั้นมหาไรนี้นนเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตนวนแต่เป็นอุปมาอุปไม้ที่เราไปเรียนเนี่ยเสียเงินเสียทองหลายล้านหลายบาทเสียเวลามากมายก็ได้แค่ใบประกาศมาใบเดียว ผมทั้งรูปถ่ายแล้วก็ชุดที่เราเรียนตามสาขาเท่านั้นแต่มนุษย์เนี่ยก็ยินดีพอใจในการเรียนกันที่จะได้เป็นมหาบัณฑิตก็คือด็อกเตอร์นั่นเองแต่สรุปแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกับเป็นทรัพย์ภายนอกที่ เราอยู่เราต้องมีการพัฒนาเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเป็นซั์ภายนอกที่เรามองเห็นแล้วก็เทิดทูนทว่ามีคุณธรรมวิญญาณแต่ตรงคนที่เรียนเนี่ยลองถามดูสิว่าเรามีความเจ็บปวดทางใจบ้างไหม เมื่อเราเรียนสูงขนาดนี้เนี่ยเราพ้นจากความทุกข์ไดไหมทุกกายทุกใจในขณะที่เราเรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยเรามีความหลุดพ้นจากความโกรธความโลภความหลงบ้างหรือเปล่าไม่พ้นอนาจารย์ทั้งหลายก็ต้องร้องให้ ถหากโมดีทั้งหลายเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยก็ต้องร้องไห้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะต้องร้องไห้เช่นเดียวกันคนที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีก็จะต้องร้องไห้เสียใจมันมันเป็นปกติที่ทุกคนนั้นไม่รู้ว่าการเป็นมนุษย์ที่ปรุงแต่ง เรื่องวัตภายนอกที่มันปรุงแต่งขึ้นมาจากภายในก็คือกิเลสนั่นเองนักปฏิบัติทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าโอ้เนอะในขณะที่เราคิดปรุงแต่งในที่เราเครียดเนี่ยกามเนื้อทุกส่วนสักทุกชิ้นในร่างกายเราเนี่ยมันรู้สึกตึงรู้สึกเร่าร้อนไปตามก้าวเนื้อ กล้มทั้งหลายเมื่อร้อนกายเสร็จไม่พอก็ร้อนใจใจของเราเนี่ยร้อนจนเหงื่อออกคิดดูจะว่าความเร่าร้อนของกิเลส ท, งท้งใจของเราเนี่ยเวลาโกธรมันร้อนทําให้เหงื่อในน้ําในตัวนี้ยังออกมาเลยเหมือนความแรงนะเหมือนการแรงที่ว่ามันไม่มีฝนตก มันมีแต่ความร้อนของพระอาทิตย์ดินก็แห้งขืกต้นไม้ก็เหี่ยวดินก็แห้งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นร่างกายเราก็รูส้สึกตึดอัดไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะว่ามันร้อนฉันใดก็ฉันนั้นที่ร้อนของธรรมชาติเนี่ยมันร้อนเท่ากับธรรมชาติของมันเองมันจะปรับของมันเองได้ ต้นไม้ก็จะละทิ้งใบเพื่อให้น้อยให้อาหารเนี่ยหาหาอาหารน้นน้อยลงเป็นการรักษาชีวิตของมันไว้แต่ถ้าร้อนใจเนี่ยเรียกว่าไฟมันเผานากกเขาเรียกนรลกเผาใจมันเกิดความว้าหุ่นใจบางคนถึงก็เส้นโลหิตฝอยแตกเื็นเลือดใหญ่แตกเป็นลมมาพึกลมมาพาด ถึงกับตายเสียชีวิตไปด้วยความเครียดนะความร้อนของเรานั้นมันร้อนรึมากมันร้อนเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยทำให้เหืดแห้งการหายใจการคิดการนึกการใช้ชีวิตของเรานั้นมันมีความรู้สึกว่ามันขุ่นคล่องขุนเคืองใจไม่สบายใจไม่สบายกาย เมื่อคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยไอ้ร่างกายเราสามารถที่จะอาบน้ำได้ตัดสีชวีวันใช้สบู่ยาซีฟันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้กำจัดสิ่งสกรปรกโสโครทางกายได้ทางเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยไอย้ยารักษาโรคอาการเจ็บป่วยได้ แต่เราไม่สามารถเอาความร้อนที่มันอยู่ในจิตได้สำานกเราออกได้เพราะเราไม่รู้เหตุผลของมันในขณะนี้เนี่ยเรารู้เหตุผลแล้วว่าโอ้นอนในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีผลทางกายแต่กว่ากายวิญญาณที่เราพิจารณาสมรมถักวิปัสสนา ธรรมาทานวิปัสสนาก็คือการพิจารณากายในกายว่าอานิจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเราก็มาวิเข้าสู่วิปวัสสนาธรรมฐานการเกิดขึ้นก็คือการคิดนั่นเองการปรุงแต่งเป็นการสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวนแต่สมมุติท่างนั้นที่อื่นก็สมมติ ผู้หญิงผู้ชายก็สมมติต้นไม้ใบหญ้าวัวควายจ้างมาเราก็สมมติชื่อมันเป็นคุณ ล, ะละักษณะเป็นชื่อต่างๆนาน า, นาเยกว่าวิปัสสนาเรารู้เท่าทันในขณะที่เราไม่เคยพิจารณากายเนี่ยเอาความเล่าร้อนของใจเนี่ยเยกว่านาลกมันลึกมากมันอยู่ลึก มันร้อนทั้งโทสะโมหะโลภะอิเลสทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหมุนหมองใจเล่าร้อนใจเรียกว่ามันเผาใจเราเผาความรู้สึกที่แทนที่เราจะรู้สึกที่ดีๆเหมือนในขณะ น, นี้เราก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่เคยมีใครมาชี้มาบอกมากล่าวเรากระทั่งพ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายเรา เขาไม่เคยบอกเรามาก่อนเราก็ไปทำบุญสมทานไปวัดวาอารามก็ได้เห็นว่าพ่อแม่เขาไปตักบาตร ใ, ใส่บาตรพระไปทอดกระถิ่นพ่อป่าไปงานบุญต่างๆเขาก็ได้แค่พบความสุขความเอิ้อหิมเหมือนกับคุณยายคุณตาไปรักษาสิ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในช่วงแรกๆ ว่าเขาไปทำไมเดินไปทำไมจะต้องทำอาหารตื่นแต่เช้าทำไมไปตักบาทก็มีเพียงแค่ได้อานิสงส์ในการให้ทานตักบาตรเขาก็มีความสุขดับความเร่าร้อนทางใจที่ไม่เคยสุขกายสุกใจเขาได้ทำบุญได้สนทนาธรรมได้พูดกับคุณพระคุณเจ้าแต่ตอนนี้มาเป็นตัวลัา เรามีโอกาสดีแล้วเรามีโอกาสที่แตกต่างกับคนอื่นมากแล้วเราได้มารู้สัจจะคือความจริงก็คือธรรมธรรมก็คือธรรมชาติที่มันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรานั้นหม่นหมองใจไม่สบายใจเพราะมันเป็นทรัพย์ภายนอกเมื่อทรัพย์ภายนอกเราได้เห็นได้รู้ทันเท่าวิเลสเรามีวิปัสสนาก็หมายถึงว่ามีปัญญารอบรู้ รู้เท่าทันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นก็คือตัวตนของเราก็เข้าสู่สมถะอีกวนไปวนมาอย่างนี้เมื่อเรามีสมถะมีการพิจารณาดับไฟก็คือดับกิเลสคือความโรคเราก็ไม่อยากได้ความโกรธเราก็มีเมตตาเข้ามายิ้มเข้าไว้ความหลงเราก็เห็นแล้วว่าเป็นของอันนิจจงเป็นของไม่เที่ยง รู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือสติสติก็คือความรู้ตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวอยู่ในขณะนี้แล้วเหตุฉนหนเราจึงต้องจะต้องทุกข์อีกทุกข์สุขนี่เราก็ยึดไม่ได้ที่องค์สมมาจัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขที่แท้จริงเนะี่ยคือดับไม่มีเชื้อ ในขณะที่เราดับเหมือนในขณะนี่เราดับความโรคความโกรธความหลงเนี่ยเรารู้สึกว่าดับไฟในใจในความรู้สึกและดับไฟในกายความรู้สึกร้อนนุ่งก้มใจไม่มีแต่มันเกิดความเวทนาทุกทางกายเห็นไหมเรียกว่าจิตวิญญาณกายวิญญาณไอ้จิตวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันเป็นเพื่อนซีนะ้กั เราเคยตามใจความคิดตามใจความคิดปรุงแต่งไอ้กายก็ตามไปด้วยอยากจะเดินอยากจะกินอยากจะนอนอยากจะนั่งแต่ไม่เคยอยากได้คิดถึงตัวเองในขณะนี้ความเร่าร้อนความตึงเครียดของกายเนี่ยก้ามเนื้อนเนี่ยผ่อนคลายลงทันทีเรารู้สึกเบาสบาย เรารู้สึกว่าเราไม่มีความโกรธไม่มีความโรดไม่มีความหลงเราไม่รู้สึกตัดเคืองคุณเคืองใจแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าใจของเราเนี่ยวุ่นวายใจในขนานี้อุเบกขาวางเฉยเมื่อเฉยแล้วเนี่ยระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันมีสมถะเราเห็นกายเรานั่ง ต้องอยู่ในขนาดนมองเห็นเมื่อมองเห็นตัวเองว่าโอ้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่สามารถที่จะเอาไปได้เลยท้ายสุดชีวิตของเรานั้นจะต้องห่อผ้าขาวเหลือกระโดดที่จะต้องไปลอยอังคารก็คือทิ้งน้ํานั่นเองเมื่อเราไปทิ้งน้ําปู่ย่าตาโวดเราได้ตายลงไปแล้วเนี่ยเหลือลูก หนึ่งบานบางคนลูกไม่มีเลยอาจจะเหลือกระดูกไว้หนึ่งโกดนะคําว่าโกดหนโกดแสนกลับเห็นไหมก็ต้องกลับไปกลับมาถ้ายังโกดอยู่ยังมีความโรคมีความโกดมีความหลงอยู่เนี่ยมันก็จะต้องกลับมาสร้างมาิจฉาเนะี่ยแต่ในขณะที่เราจะดับเนี่ยดับโดยที่ไม่มีสติหน้าเวทนากายเวทนาใจของตัวเองเหลือเกิน หลวงพ่อได้เห็นเหมือนกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นว่าวัดตัดแปลว่าเวียนไหววัตตัดสงสารก็สงสารละเกินการเวียนไหวของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายของโลกทั้งหลายที่หมุนไปหมุนมามีทั้งกลางวันก็รู้สึกว่าแจ้งมองเห็นกั้งคืนมันก็มึดมิดเหมือนใจของเราเลยว่าเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็คิดได้เดี๋ยวก็คิดไม่ได้เดี๋ยวได้มันก็ต้องเสียไปแต่อาการที่ไม่เสียไปจากเราเนี่ยก็คือจิตได้นึกิกสำนึกก็คือเสียใจเมื่อเกิดมีความเสียใจไม่สมหวังเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจมีความเร่าร้อนใจสะสมไปเข้าไปทุกทีเมื่อสะสมความกดความคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ออก ก็เครียดก็คือความโกรธพยาบาทอาฆาตแล้วแต่ที่เรามาอยู่กันในขณะนี้เนี่ยเราไม่มีตัวอิจฉาริษยาแสดงว่าเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในมนุษย์สมบัติและรักษาศินเมื่อเรามีมนุษย์สมบัติรักรู้ผิดถูกชัว่วดีมีการรักษาศินด้วยสัจกจ ก, ก็คือ การรับรู้ความจริงที่เรานับถือหรือรับคำจากพระคุณเจ้าในศีลแปดว่าเราจะไม่ก่้าจัด ต, ตัดชีวิตลักขโ ม, มยกหกอะไรอย่างนี้เราจะไม่เป็นคนที่คดโกงในลักษณะที่เราถือสัจจะบารมีเรียกว่าศีลศีลเราก็ามาสํารวมกายวาจาใจเนี้ยให้ถึงพร้อมเรียกว่าสมาธิ แล้วก็มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจด้วยเมื่อมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจเนี่ยตติก์ก็มามนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้นความขัดแยง้งทะเลาะบอกแย้งก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในการสร้างคุณงามความดีไม่เหมือนกับที่เราจะต้องกลับไปบ้านหลงเราแล้ววันนี้เราจะต้องกลับไปเจอสามีเราจะต้องกลับไปเจอคนที่เรารัก กับคนที่เราเกลียดเราชังเราจะต้องกลับไปเจอคนที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเราในขณะนี้เราจะต้องกลับไปช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครช่วยเราเหมือนกับอยู่ที่นี่เราจะต้องตะเกียบตะกายทำมากินเก็บซับภายนอกที่มันไม่ใช่ของเราเอามาเป็นของเราเหมือนกับที่เขาบอกว่าเป็นคนบ้าหอกฟาก อ, อกฟางตัวนี้เนี่ยคำว่าฟางในหมายถึงว่ามันแห้งเมื่อจุดไฟเนี่ยไฟก็จะเผาเผือที่ไรมันก็จะไหม้มันก็จะปิวไปเพราะฟางนี่มันไม่ค่อยมีน้ําหนักเอามาให้หวัวให้ปายทานเนี่ยมันก็แค่ประทังชีวิตแสดงว่าทรัพยบภายนอกเนี่ยมันแค่เอามาทาันมาประทังชีวิตเราโงเ่เหมือนวัวเหมือนปายที่เป็นคนที่บ้าออกฟางก็คือ อาหารที่มันกินได้เยอะแยะก็คืออาหารใจนั่นแหละอาหารกายเราก็ทานธัญญาพืชธัญญาหารแต่เราเน้นไปเก็บสัตว์ที่มันเป็นนรกตกนรกอยู่ในอวัยวะภูมิงสัตว์เช่นกุ้งหอยปูปลาหูเป็ดไก่ตรกนี้อยู่ในสัตว์นรกเรียกว่าสัตว์นรกก็คือรูปนามแห่งสัตว์ต่างๆ ที่มันตกอยู่ในอบยัยภูมิในขณะนี้เราภูมิของเปรตอสุรกายท่านทั้งหลายคนนึกไว้ในใจว่าการประพฤติปปฏิบัติคราวนี้เนี่ยขอให้สภาววจิตของข้าพเจ้าหลุดทนจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานยิ้มเข้าไว้อธิษฐานในใจเพราะเราอธิษฐานในความเร่าร้อนในมันออก ขนลุกขนพองออกมารู้สึกคันรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บยิบช้ำยิบชแล้วมรู้สึกว่าเบาแล้วก็เย็นลึกเข้าไปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากเปรตอสูรกายแล้วขอให้ข้าพเจ้านั้นเป็นมนุษย์สมบัติเพื่อเป็นมนุษย์สมบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ดีแล้วกายใจของข้าพเจ้าขอให้เป็นเทวดาสมบัติ ตอนนึกถึงเทวดาสมบัติเนี่ยเทวดาก็มีเครื่องทรงอ ง, งานางมีเครื่องประทินโฉมเมื่อเราเป็นเทวดาสมบัติเนเวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมันดูขึ้นมันดูสวยเพราะเราอยู่ในภูมิของเทวดาสมบัติแต่เทวดานั้นก็มีหลายอย่างเหมือนกับมนุษย์สมบัติเลย เป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เดียวกันเป็นสัตว์ต่างๆเป็นรูปนามสูงบ้างต่ำบ้างใหญ่ยยบ้างเล็กบ้างมีความน่ารักมีความน่าเกลียดน่าชังเช่นไส้เดือนปิงพวกนี้นอนพวกนี้กินอึกินของเหม็นของเ น, องน่ากินซากพืชซากสัตว์เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกขยะขยะ เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมันอยู่ที่มนุษย์ที่เราได้เห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างยึดมั่นถือมั่นในอนดีตที่เราไม่รู้ในอนาคตที่มันมาไกลเกินเหตุไกลสายตาไกลหูไกลตาเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเราก็ได้คาดคะเนก็คือคาดเดาก็คือสมมุติหนึ่งเอง เป็นการปรงแต่งทั้งสิ้นเราก็าเอาปัจจุบันปัจจุบั น, น ก, กรรมปัจจุบันเราเนี่ยอธิษฐานเราให้พ้นจากเปรตอสุลกายสัตว์เดลฌานต้นพนุต้นทุนแห่งการเกิดของแต่ละคนนั้นก็มีรูปรับที่แตกต่าง ก, กันแล้วแต่มีความเป็นมนุษย์ในเหมือนกันก็คือมีรูปนามของเป็นสัตมนุษย์ การเกิดของสัตว์มนุษย์มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีคนพิคนิการมีคนสวยมีคนไม่สวยมีคนผิวสวยบางคนมีผิวไม่สวยบางคนนั้นผิวพรรณงดงามบางคนนั้นผิวพรรณนั้นมีโรคภยัยไข้เจ็บเห็นไหมก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่มันเกิดมาเป็นสัตว์ที่น่ารักบ้าง นเกียดน่าชังบ้างเป็นตามความต้องการเหมือนกับในพานที่ไปล่าดสัตว์สัตว์มันก็กินไส้เดือนเราก็ไปขูดไส้เดือนไปเกี่ยวเบ็ดเพื่อเอาไปล่อสัตว์อีกทีป่ามันก็จะได้กินไส้เดือนเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่กินไส้เดือนรู้สึกขยะขยงอีมันกินเลือดไม่ว่ากินเลือดของสัตว์เป็นกินเลือดของมนุษย์ เราก็กินเลือดขยากขยะมันกันถ้าเราเป็นมนุษย์สมบัติเป็นอริยะบุคคลเนี่ยเป็นอริยะเจ้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในอบัยภูมิก็คือเป็นภูมิของดักเดลฉานที่เราจะเก็บเอามากัดเอามากินเนี่ยมันก็ตกห่างอยู่ในกระแสเลือดเราทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา ตามพันธุกรรมของสัตว์นั้นๆเพราะฉะนั้นแต่สัตว์แต่ละตัวนั้นจึงมีกลิ่นที่แตกต่างกันเหมือนกับผ ล, ลไม้มีรสชาติที่แตกต่างกันไปเมื่อเราเก็บขยะเก็บสัตว์เดรัจฉานเอามารวบรวมไว้ในกายในใจของเราเนี่ยปลอร้อมกายของเราเนี่ยทาให้เลือดของเราเนี่ยซกกระปกสโคกก็คือร่างกายเรา กินกายของเรานี่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกันแน่เป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาทำให้ชีวิตของการคิดคืดจิตวิญญาณและกายวิญญาณแปรปวนอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสะอาดสะอา้านเราได้ตกอยู่ในอวาัายับภูมิเสแล้วเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานเสแล้วการกระทำการคิดต่างๆเหมือนกับน้าที่มัน ไม่สะอาดจะแล้วเราก็ดื่มกินอาดนั้นสกรปกสรกสกค๊กทำให้ติดเชื้อโรคเชื้อล า, าต่างๆชีวิตเราก็เช่นเดียวกันตกอยู่ในอบัยภูเพศก็เป็นมีอุปนิสัยสัญานมีการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ้านท ำ, ทำลายทาร้ายจิตใจตัวเองเหมือนกับสัตว์สัตว์เนี่ยมันไม่รู้จักพ่อจากแม่จากพี่จักน้องมีกลิ่นกายก็เหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ แต่ตอนนี้เราเป็นมนุษย์สมบัติแล้วร่างกายเรารู้สึกว่ารื่นสะอาดสบายเบาสบายเหมือนในขณะ น, นี้เราได้รวบรวมจิตใจภาระ ก, กําลังที่ผ่อนลายความเร่าร้อนของสัตว์ต่างๆที่เราอธิษฐานเมื่อกี้ว่าตัดทั้งหลายที่อยู่ในจิตได้จานึกในกายในจิตในตัวของข้าพเจ้าที่เดชสะสมกันมา ขอให้ท่านทั้งหลายจงไปจุดติจุดตังพระอาขังจุติจงไปเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพมสมบัติถึงซึ่งนิพพานสมบัติอย่าเวียนไหวาตายเกิดมาให้เขากัดกินและอย่าได้มาเป็นมัดโนกรรมวัดจีกรรมไกยกรรมแก่ข้าระจ้าเนี่ยมันก็หลุดพ้นไ ป, ไปอบายจะปลุกจักตัวเรา เมื่อแผ่นดินมันแยกแตกแล้วเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่แข็งกระด้างเหมือนกับดินที่แข็งกระด้างแห้งแล้งมานานไม่ได้ถูกน้ำไม่ได้ถูกขยายเหมือนกับร่างกายของเรานั้นตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่แซรกที่แน่นเนี่ยมันคือสัก์ต่างๆบัตรนี้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้รู้เหตุรู้ผลได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระขยาย ผิวพันธุ์ในที่หยาบก้านก็ละเอียดขึ้นเพราะเราได้ใช้ไฟในความ ร, าร้อนของสภาพของจิตเดืยอที่ตกอยู่ในเอาวบเอาใบ ย, ยาบ ก, ก็หมดไปสัตเดราชานก็ได้ขยับขยายเหมือนกับดินนั้นก็ต้องอาศัยออกซิเจนร่างกายเหล่านั้นที่เขากิน อะไรที่มันเป็นอลาให้มันแสงสวา่างกินพืชสีนั้นสีนี้ที่เราขาดอยู่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มันเกิดและหายเกิดขึ้นถาวรเมื่อร่างกายทุกชิ้นเราในมีกล้ามเนื้อผ่อนกายออกซิเจนนมันเข้าไปในกล้ามเนื้อเรารู้สึกเบาสบายร่างเราร่างกายเรารู้สึกปลอดโปร่ง ตามเรื่องหัวใจเราที่เคยตึงเครียดคิดโน้นคิด น, น, ดนี่กระตุกเต้นไม่เคยเป็นจังหวะเดียวกันบัดนี้เราได้เต้นรู้สึกแผ่วเบาไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วพอผ่อนคลายปุ๊บเราก็อธิษฐานจิงสกปกโซโคทังกายทางใจเราเนี่ยก็หมดไปความเร่าร้อนความร่มเย็นออกซิเจนก็มันทาให้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเหมือนคนคนนี้เนี่ยที่นั่งขนาดนี้เนี่ย มันมีความสุขมันมีความสบายในใจของท่านทั้งหลายเมื่อเราหลุดพ้นจากอมายภูมิเราก็เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อเราเป็นมนุษย์สมบัติเราก็เป็นเทวดาสมบัติเทวดานี่ก็มีเครื่องทรงองค์ใดนะเรามาอยู่มาพื่ปฏิบัติหน้าตาเราผ่องใสเราไม่ต้องลำบากกาลกรรมนึกสิ่งใดเราก็เคยนึกแต่เรื่องของกินเล แต่บัดนี้เนี่ยเราได้มานึกถึงเรื่องของตัดจากคือความจริงธรมก็คือธรรมชาติเราเกิดจากธรรมชาติเราเกิดจากการกระทาที่มันเป็นทุกข์มันเป็นกิเลส ท, ที่เราไม่รู้มา ก, ก่อนเลยไม่มีวิชาไหนที่วิเศษเท่ากับวิชาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วบัดนี้เราได้เป็นมนุษย์สมบัติเป็นเทวดาสมบัติ จะ แ, แต่งเครื่องทรงองค์ยังไงก็ ต, ตามวาลักของเทวดาของท่านก็คือการประพฤติปฏิบัติมาเนื่องนานต่อเนื่องกันมาหลายภบหลายชาติแต่ในภพปัจจุบันนั้นเราได้พบกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามีความเป็นกาลยานิมิตรเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนเป็นผู้งเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นอุบ า, บบาจิกาที่มารักษาศีลมาฟังธรรมขององค์สมบัติพระพุทธเจ้านับว่าเป็นเรียนวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่บริสุทธิ์ที่คุณเป็นคุณเป็นบุญกุศลอย่างหาไม่ได้ที่อื่นอีกแล้วก็วต้องเป็นที่ตัวเรานั่นแหละเมื่อเราเป็นเทวดาสมบัติเราก็เป็นพมสมบัติผมก็เป็นที่พึ่งพมก็หมายถึงว่า ในขนาดนี้เนี่ยทำขององค์สัมมาจุติยาวตัณฑ์พรมให้เราแล้วพรมก็มีพรมมิหารสี่ก็คือมีเมตตาเมตตาก็คือความรักเราได้พบความรักอันบริรสุทธิ์ซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมตตาแล้วก็มีความการุณาการุณาก็แปลว่าความสงสาร เราเกิดมีความเห็นใจซึ่งกันและกันสงสารดูแลซึ่งกันและกันอุดคุยกันด้วยสั้นในชันมิตรไม่ตีต่อกันเมตตากรุณามุทิตาไม่อิจฉาริษยากันเมื่อท่านเป็นพรมแล้วท่านจะไม่มีจิตอิจฉาริษยาซึงจะมีพรมเกิดขึ้นกับเราแวบๆบอมแแบบแบบแบบมันก็อิจฉาน้อยลงเกลียดน้อยลงสงสารน้อยลง อดน้อยลงอะไรลักษณะนั้นแต่ถ้าเราเป็นพรมเต็มเรียกว่าบําเพ็ญเพี ย, พยบรบารมีทั้งจักรตั้งใจเต็มแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นพรมมีความรักเรารู้สึกรักกันเรารู้สึกเห็นใจซึ่งกันและกันเรารู้สึกไม่มีความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงไม่อิจฉาริ่สยากันเมตตากรุณาโมกขิตา ไม่อิจฉา ก, กันอุเบกขาคือวางเฉยเมื่อเราเป็นพรมแล้วเราก็กินอิ่มนอนหลับเอ๋ยไม่นินทากาเลไม่อิจฉานฤทยามีความสงสารมีความรักมีอกอ้อมอารีปานนี้ต่อกันเนี่ยในหมู่คณะนั้นนับว่ามีความสุขทั้งครอบครัวเราเกิดอย่างนี้บ้างเรารู้คนเดียวอยา่างไปทําให้คนอื่นเขารู้ ว่าเราไปประพฤติปฏิบัติมาเราจะต้องอดทนอดกัน้นค่อยๆสอนใช้อุบายใช้สติสอนตัวเราให้ตัวเรานะั้นมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนสมัยนี้ที่เขาพูดว่าปรับทัศนคติตัวเองเมื่อเราไม่ปรับปรุงตัวเองไม่ปฏิบัติพึงเปลี่ยนแปลงตัวเองคนในบ้านของเรานั้นจะรู้หรือว่าเรานั้นเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ไอ้ทีด่าว่ากันว่าไปวัดมาไม่เห็นได้อะไรจะยังโกรธเกาาลียดภูปยบาลกิจชาลิษยานินทากาเลยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเห็นเขาคุยเขพูดกันมึงจะไปบวชมาทําไมมึงจะไปวัดทําไมมึงอีกคนกิเลสนะอ้คนกิเลสนะอ่นะชีวิตมึงไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เพราะมึงไปนั้นไปก็ไปทะเลาะกับพระบ้าน ไปอิจชาริษยาไปผูกโกรธพยาบาทอาฆาตในวัดในอารามต่างๆแต่นักปฏิบัติทั้งหลายในขณะ น, นี้เป็นวาระสุดท้ายโอกาสสุดท้ายลักตีสุดท้ายขอให้คุณโยมทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจนี้พะเรารู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วเมื่อเป็นพรมสมบัติก็เป็นอริยบุคคลแล้ว เมื่อเราเป็นอริยบุคคลก็มีความฉลาดในส่วนตัวของเราแล้วเมื่อเราพึงประพฤติปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราก็รู้เหตุรู้ปัจจัยที่หลวงพ่อบอกกายวิญญาณกับจิตวิญญาณมีความร่ำรู้ควบคู่กันไปสินสมาธิปัญญาก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติแล้ว เพื่อเราเป็นมนุษย์สมบัติเป็นเทวดาางกายเราก็เปลี่ยนแปลงคนที่ปวดที่เมื่อยที่รู้สึกหนักกายหนักใจก็เบาใจสบายใจในขณะนี้เรากลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นอุบาสุกุบาจิกาที่มีความขยันหมั่นเพียรเราต้องตั้งสติ ถ้าเรากลัวจะพังจะเผอเพราะเราเป็นคนที่มีสมาธิสัน้นต่อไปเราก็มาเอาเทศที่เขาอัดไว้เอาไเปิดกอกหูแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติทุกวันไปเรียกว่าปานานุสติปานานุสติไม่ใช่ว่าปานากินดีกว่าป่าเลี้ยงไม่ใช่ปานานุสติก็หมายถึงว่าหายใจเข้าเราต้องรู้ลมหายใจเข้าออก จะว่าอยู่ในองค์ภาวนาพุโทโธพุธโทโธตามที่ท่านทั้งหลายที่ไปเรียนรู้การภาวนามาก็ต้องขันสรรเสริญท่านทั้งหลายที่มีความอดทนอดกั้นกล้าที่จะต้องต่อสู้กับหลวงพ่อมาถึง9วัน9กคืนท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นอริยบุคคล เมื่อเป็นอริยะก็มีความฉลาดรู้จักรักษากายวาจาใจให้ถึงพร้อมท่านก็จะเข้าสู่สภาวะของอริยสงฆ์เป็นอริยสงฆ์เนี่ยสงฆ์ผู้ที่สงเคราะห์นั่นเองเป็นสงฆ์ที่มีความเมตตากรุณาปานีไม่เบียดเบียนทั้งคนและสัตว์ไม่เบียดเบียนเห็นผู้อื่นนั้นเป็นหมู่คณะเป็นญาติเรียกวาญาติยัติกา เป็นบุคคลที่รู้จักให้ไม่รู้จักขอเอภัยทานเป็นคนที่ให้ทานทั้งสิ่งของและก็จิตใจเมื่อเข้าสู่อริยสงฆ์ก็เป็นอริยเจ้าพระปัจเจจนถึงพระอรหันตเจ้าก็คือดับไม่มีเชือ้อดับก็หมายถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความโกรธพยาบาท ไม่มีความอาคาตอยู่และปรับตัวเองเเหมือนกับเป็นคนปกติไม่ไดอวดรู้อวดฉลาดประเด็นทำอะไรให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แต่พระที่มองที่คุยว่าเป็นคนที่สาเร็จแล้วฝึกปฏิบัติดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโกหกตัวเองอยู่แล้วการที่โกหกคนอื่นก็ไม่เท่ากับโกหกตัวเอง รอกคนอื่นก็ยังไม่เท่ากับรอกตัวเองการทำความดีการสมความดีความเร่าร้อนของอิเลตทั้งหลายก็คือจิตใต้สานึกที่เรานึกความเลวความชั่วนึกไม่ได้นึกไม่ออกก็จะทวีคูณและไม่เกิดโรคเกิดไปกล้ามเนื้อก็จะตึงขาดยืดและไม่หย่อนไม่กลับในสภาพเดิมเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแขน เป็นนิ้วร็อกบ้างปวดขาปวดแขนปวดหลังปวดท้องเป็นโรคนั้นโรคนี้สายตาที่เราเคยมองแต่เราไม่เคยมองในสิ่งที่ดีไม่มองเห็นตัวเองมองสิ่งอยามีมองแต่อยากได้สิ่งของอยากในแก้วแหวนเงินทองตาก็บอดลงบอดลงก็คือสายตาสั้นเป็นต้อบ้างเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ที่ได้ยินสิ่งที่ดีๆมันน่ามเรื่อใจ มันเย็นใจหูเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจเหมือนเราฟังเพลงที่นักร้องเนี่ยมันรอ้องเพราะๆเนื้อหาสาระที่มันดีเรารู้สึกกินใจเห็นไมแต่เราหูเราเนี่ยได้ยินแต่เสียงด่านินทาการเลยสมองเราก็ฟอหัวใจเราก็รู้สึกตึงจนกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อตายหลอดเลือดในหัวใจเนี่ยแป๊บบ้ง เลือดมาเลี้ยงในหัวใจไม่ได้ที่ย์พาตัดกันเป็นแถวหมดเพราะเพราะว่าระบบหัวใจเนี่ยมันทํางานไม่ปกติดังนั้นในก็ฉันนั้นชีวิตเราขอให้ท่านทั้งหลายนั้นตรงตั้งจิตตั้งใจเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเกาจะได้เป็นอานิสงของลุงพ่อที่ได้พึงพันเพลินเพียนมารู้เห็นโดยที่ไม่ได้เล่าได้เรียนมาไม่ได้เคยไปที่ถึงไหนมาก่อน อยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็แอ บ, บทําครับคนบางคนก็ไม่รู้ว่าลุงพ่อทําอะไรทําไมต้องใช้พระมากขนาดนี้ทําไมจะต้องให้สวดมนต์ทำไมจะต้องให้ทําวัดอยู่ตลอดเวลาทําไมถึงได้ให้พระเนนเท็นชีได้ทํางานทําการก็เป็นการบําเพ็ญเพียรความพยายามความอดทนอดกลั้นอย่างหนึง่งถ้าจะมานั่งอย่างนี้บางองค์บางรูปก็ทำไม่ได้ ก็ตกลงอยู่ตกอยู่ในอวัยมิคือคิดไม่ได้เขาก็อยากทำความดีก็มีมาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหตุให้มันเกิด อ, อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับคุณโยมเช่นเดียวกันก็ขอโอกาสดีๆอย่างนี้ให้บรรดาญาโยมนั่นไปฝึกไปไปฏิบัติต่อกันที่บ้านถ้ามีโอกาสก็เอาเทปไปปังได้หมดครับ